ي س ت ص ي ر و ن إن خلقناهم من طين ل ل ا ذ ب ة بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا و َ إ ذ ا ذ ُ ك ِّ ر و ا ل ا ي ذ ك ُ و ن و َ إ ذ َ ا ر أ َ و ا آ ي ا ت ي س ت َ س خ ِ ر و ن و َ إ ذ ا ر َ أ َ و ا آ ي ا ت ٍ ي س ت َ س ِْ ر و ن قالوا إن هذا إلا س ح ر م ب ي ن أَإِذَا م ِ ت ْ ن َ ا وَكُنَّا تُرَابا إ ِ ذ َ ا م ت ْ ن َ ا وَكُنَّا تُرَابا ละมาปะระเบิกละมาเบ่งซุ่มละมาเบ่งซุ่มว่าอ ثون าละมา لم บ่ ثون อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะ์มดนะ ستعين เขาะนะฮ ستغفره และนะ عوذ بالله من شرور أنفسنا ومن س ي ا ت ع م ا ل ن ا ما يهده الله فلا مضلله وما ي ج ذ ل ل فلا ه ا د ي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله Allahumma bik ا s b a h n a ي a b و k a m s a y a m u ع و ذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شئ أم في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم ربيت بالله رب ب بال ا ل i س, س ل ا م دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك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 อัลัยฉันท์ขอให้ฉันท์ได้รับความเมตตาของพระองค์ขอให้ฉันท์ได้รับความเมตตาของพระองค์ขอให้ฉันท์ได้รับความเมตตาของพระอ์ แด่พี่น้องที่ติดตามรายการที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับติดตามรายการทีวีนะครับเราทำเรื่องแรกก่อนอื่นนะครับเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนก่อนที่จะจะทำอะไรก็ตามไปนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเพราะการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจหัวใจง่ายสงบความเครียดหายหมดทัานึกถึงอัลละฮ์นะ นึกจริงๆนะพี่น้องอย่านึกเล่นๆพี่น้องครับขอบคุณนลนอร์ร์นะครับที่เนี่ยทางทางมัสยิดนบาริสโซนันะสุนานี่พี่น้องจัดอบรมตักเสกุรอาตเอกปีนี้เป็นปีที่ 3.7 แล้วยังไม่ได้หยุดเลยนะเพิ่งมาได้ 3.7 มสิเจ็ดส่วร้อ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วสุรรยาซีและจบไปแล้ววันนี้มาึ้นสุรอราฟาฟารอฟรที่37พี่น้องครับก่อนที่จะอธิบายสุรออฟตอายาที่1 0ถึงนี่พี่น้องเราปากกับท่านพี่น้องว่าจะอธิบายเรื่องออนมาตะหัยุธนมาตะหัยุธเนี่ยมีผลบุญยังไง เอาลอให้อะไรตอบแทนนะครับคุณค่าของการนัมาตะกัดยุดธนี่มีอยู่ทั้งหมดส1บเอ็ดข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะผู้ที่เราลุกขึ้นมานมาตะหัดยุดธ์ในจ้ต้องมันนั่นเยอะนะต้องเหยียบอารมณ์พอเวลานอนกับเวลาตื่นนั่ามาในเวลาเดียวกันต้องอดทนสูงถ้าไม่ฝึก มาฝึกตัวอายุเจหมดสิทธิ์มันต้องฝึกตัวอายุเท่าไหร่ห้าสบสสบห้าบางคนมันหนุ่มไดจะเรียบไปไหนหนุมหน่มห ไ, ไปดูกูบที่ของเทนตนี่สิกูบัสั้นๆกว่าเยอะมันจะกูบยาอย่างเดียวสั้นๆกว่าเยอะฉะนั้นให้เรียบทําความดีก่อนที่จะอินนาริล่ะนะข้อที่หนึ่งนะครับอัลลอฮฺทรงให้ลิ้นของคนที่นมาตะหัด ย, ยุทธเนี่ยผู้จะเข้าใจง่าย สำคัญมากเนี่เรื่องใหญ่พเพราะประโยชน์ในสังคมอย่างเมื่อคืนก็มีเวทีกันบนเวทีนะพูดกันกี่คนน่ะคนที่พูดจะง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วคนฟังอยากจะฟังอีกนมันต้องผ่านจากสมาธิหัดุดนี่มาจากออลล์ตรงๆเลยทางการลกขึ้นสมาธิหัดุศข้อที่หนึ่งก็คือจะทําให้ลิ้นของเขามีฮิกเทหรแล้วก็พูดอะไรเข้าใจง่ายแล้วก็อยากจะฟังอีก พอไปถึงสามีภรรยาเกิดมาการที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถ้าสามีที่อ่านกูรานแล้วไป น, นมาตะหัดยุทภรรยาก็อ่านด้วยเรื่องทะเลาะกันในครอบครัวมีหรือไม่มีมีไหม <c oughs> แต่ต้องนมาตะหัดยุทโอ้ต้องนมาตะหัดยุทธก็ต้องนมาตะหัดยุทเพราะนะบีทาเป็นแบบไว้เรื่องที่สองนะครับพี่น้องนมาตะหัดยุดธสองเรกาก็อัดแค่สองเรกาก็อัดนะแล้ววีเต๊กอีสามเนี่ยพี่น้องครับ ดีกว่าโลกดุนยาใบนี้แล้วก็ดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกทังนี้ทั้งหมดที่เราได้ยินก็อยู่ใต้ใต้ดินเยอะใช่ไหมน้ามันกว่าเยอะเพชรทองเยอะไปหมด น, น้ำมาสโลมรกอ่าตะหัดยุจะดีกว่าทรัพย์สินที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้แสดงเราเป็นคนรวยเป็นคนรวยเป็นคนรวยที่สุดเรื่องที่สามพี่น้องคนที่รุกขึ้นน้ำมาตะหัดยุธมีรัศมี ในกูโบถามว่ากูโบเมื่อรูสว่างนึกภาพเองอยู่ใต้ดินจะทำให้กูโบสว่างทำไงครับพี่น้องมีนมาตนมาตะฮัตยุดธนี่ดีที่สุดทำให้กูโบกว้างด้วยนะ <c oughs> กว้างเท่าไรเจ็ดสิบศอกอ๋อพี่น้องนีมน่มันเรื่องดีทั้งหมดนี่ เรื่องนี้เล่าผ่านนาบีมุฮัมมัดไม่ได้ไล่ไม่ได้เล่าผ่านนายกผ่านนาบีครับนบีเป็นอะไรนบีเป็นรสรูลของอัลลอฮ์นบีพูดโกหกไม่มีทุกคาพูดของท่านนาบีเป็นวาฮีเป็นวาฮีหมดเลยต่อมาเรื่องที่สี่นะครับคนที่นำมาตะขัดยุทธบ่อยๆนะเห็นสวรรค์ก่อนตายถ้าเขาว่าเห็นก่อนตายเนี่ยมันจะสวรรค์มันอยู่ต่อหน้าหร บางทีม า, มาในฝันบ้างอะไรบ้างบางทีเราไปนั่งฟังบรรยายโอ้อธิบายเรื่องสวรรค์ไม่เห็นภาพเลยนะนี่ไงเห็นสวรรค์ก่อนตายต่อมาเรื่องที่ห้านะครับผู้ที่รู้ขึ้นนมาตระหัดยุดแบบสม่ําเสมออลัลลอฮฺจะยกเกียรติของเขาให้สูงแล้วก็สง่างามด้วยยกเกียรติสูงนะพี่น้นองถามว่าเกียรตินี่มาจากไหนเนี่ย เท่าหาเองมันก็เหนื่อยนี่อย่างที่นั่นอยู่ในสภานี่หากันเองใช่ไหมเหนื่อยครับใจทะลุขึ้นนมาตาฮัดยุดนี่เกียรติยศที่อัลลอฮ์ให้ในสนางาไหมอัลลอฮ์อัลลอฮนี่ไงวิธีหาเกียรติยศของอัลลอฮ์ผ่านนมาตาฮัดยุดดีกว่าวิ่งหาเสียงอัลลอฮ์ตามกันเยอะเลยต่อมาข้อที่หกนะครับคนที่หลุกขึ้นนมาตาฮัดยุดอยู่เป็นประจําเนี่ย Allah จะให้เขาปลอดภัยจากโรคบราละร้ายๆฟิทนาไร่ไร้บาปใหญ่ๆปัญหาเดือดร้อนใหญ่ๆจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่รู้ขึ้นมาแต่หันยุดอยู่เป็นประจาําโอ้เรื่องใหญ่มากนะโรคโรคหนกันกๆโรคไรไรๆเนี่ยยกมาลงมาเรียงพวกนี้นะจะพูดมากก็มาคนกระเทือนโอ้โหถ้าเป็นมาเรียงจะเป็นมิทธะมิยานามาจะไม่ใช่นะเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังนะครับต่อมาข้อที่เจ็ด แต่ฮัตยุทเนี่ยเป็นเวลาที่ใกล้ชิดที่สุดกับใครกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เนี่ยลงมาอยู่บนโลกดุนยาชันฟ้าโลกดุนยามาอยู่ใกล้ที่สุดตอนตีสามตีสองตีสามตีสี่ก่อนก่อนก่อนอาจารยจะลงมาอยู่ใกล้โลกดุนยาชันฟ้าเรานี่มาตะองขอต้อาตอนว่าข้อที่แปด กอ น, นอนต้องเนียดถ้าจนลุกขึ้นธรมะแต่หยุดแต่ถ้าหามันตื่นไม่ได้มีอุปสรรคตื่นไม่ได้ผลบุญเท่ากับคนที่ลุกขึ้นธรมะแต่หจุดเหมือนกันแต่อย่าเนียดทัท้งปีเลยไม่ขึ้นสักคืนหนึ่งนะความกวมไม่ใช่ใช่ไหมมัน ก, ก็นานๆนนจะมีสักครั้งหนึ่งอยางนี้เป็นตนนะครับข้อที่ข้อที่เก้านะครับเป็นอามันทิสอเล นึกเองไม่ได้ทั้งหมดนี่มาจากนาบีทั้งหมดข้อที่สิบเป็นเขาบอกว่เป็นหัวใจเป็นรั้วของการทํานมาศทั้งหมดนามาศทั้งหมดนี่พี่ น, นอ้องนามาศต่หัดยุทเนี่ยเป็นหัวใจเพราะนาบีไม่เคยขาดอย่างเงี้ยนบีไม่เคยไม่เคยขาดต่อมาข้อที่สิบเอ็ดทำให้ร่างกายแข็งแรงดีได้ไม่ดี เอาล่ะพี่น้องแข็งแรแบไปเดินออกกําลังกายจุูลงรอเก้านี่ก็ได้แต่เองต้องเหนื่อยนะแล้วก็ผลลบุญก็อาจจะมีหรือเปล่าวันลองอาลามแต่ลุกขึ้น น, มนะมาต่ฮัจยุทธิ์ที่อัลลอฮฺแฝงไว้โดยไม่เรามองด้วยสายตามาเห็นสุขภาพแข็งแรงทั้งหมด11บดข้อนะครับทำดยลิล้วนี่ผลลบุญของคนที่อะไรนะลุกขึ้นน่นะมาตฮัยุธนะครับ ขอบคุณ Allah ที่น้องับวัีมาอายะที่สิบนะครับอิลลัมันติฟัลฟะ فأتبعه شهاب ساقب إ ل ا م ن خ ط ف ا ل خ ط ف َ ف أ ت ب ع ه ش ه ا ب ٌ ا ق ب الحمد لله คอติฟ้าเอาศัพท์ไปก่อนนะคอติฟ้าเนี่แปลว่าศัพท์เดิมนะแปลว่าลักพาตัวหรือว่าวิ่งราวหรือว่าเฉวยเข้ามาเฉวยไปเลยวิ่งราวออกไปในมัน่นรียกว่าคอติฟ้าอินลามั่นคอติฟ้าหรือคอติฟ้าคอติฟาหมายถึงการวิ่งราวครั้งเดียวการเฉวยครั้งเดียว การลักพาตัวครั้งเดียวฟาอัตบาหูอัตบะแปลว่าไล่ตามซีฮาบุญแปลว่าเปลวเพลิงนะครับซีฮาบุญแปลว่ลเาเปลวเพลิงซาคิฟแปลว่าส่องแสงส่องแสงเปลวเพลิงส่องแสงไล่รู้ไหมไล่ใครไล่ไลไลช้ยตอน อยายะนี้ของการจะเตือนบอกให้นบีให้นบีมาสอนมนุษย์ทั้งโลกบอกว่าอัลลอฮ์เคลียท้องฟ้านะเคลียบนท้องฟ้าเนี่ยก่อนที่อัลลอฮ์ะจะประทานคุรานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดผ่านท่านยิบรีลมาให้กับท่านนาบีเนี่ยต้องเคลียท้องฟ้าก่อนเพราะบนท้องฟ้านี่มีอะไรบัดชัยตอนยินอยู่กันเต็มเลยพี่น้องไปแอบฟังอะไรแอบฟัง ที่อัลลอฮฺสั่งให้มลายิกะทํานู้นทํานี้ทํานี้ทํานั่นก็ใช้ตอนมันขึ้นไปแอบฟังพอไปแอบฟังเสร็จแล้วมันก็ลงมาข้างล่างมาหาหมอดูพวกหมอดูก็รอยินรอใช้ตอนเพราะก็เป็นพวกเดียวกันคนนี้แหละพวกหมอดูพอใช้ตอนมาเล่าเรื่องเดียวนะมันมาต่ออีกคีอเรื่องอีกร้อยเรื่อง นี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังแล้วเล่าให้คนที่อ่านอ่านอ่านอานอ่านอ่านอ่านอ่านห่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านานอ่านอ่านอ่านอ่านอานอ่านอ่นอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอานอ่าอานอ่นอ่น า, า, า น, า น, น, า น, า น, นาอ่นานอ่ารอ่า น, น, น, แบบนอาไไนน่านอนอ่นอ่านอนอ่านอนอ่านอ่านออน่นอ่่อนอนอ่า่อ่านอ่อ่าน่านอนอ่นอนอ่า่าอ่า่านอนนอ่าา่ ต้องจอดหมดริมถนนหมดไอ้นี่ก็เหมือนการตองการจะอธิบายว่าชั้นเคลียทองฟ้าก่อนที่จะให้วะฮีจากอั uran, ลกุรอานลงมาหาท่านนบีจนกว่าจะถึงวันกิยามาเลยนะเนี่ยเคลียทองฟ้าสะอาดหมดเลยครับอิลลามันคอตีฟะเว้นแต่ตัวใดที่ฉวยไปได้เพือเข้ามาฟังะครั้งเดียวนะมาฟังครั้งเดียวแล้วเป็นไงรู้ไหม ฝาตบารูก็จะมีเปลวเพลิงชีหาบุญเปลวเพลิงสากิบไล่ติดตามอัตบารแปลว่าไล่ติดตามชีหาบุญเปลวเพลิงสาคิปแปลว่าอันรุ่งโรจน์ที่มีแสงสว่างเหมือนมันผีพุ่งใต้แล้วัดเจนผีพุ่งใต้ที่เราเห็นมปนผีพุ่งใต้นั่นนะเป็นดวงดาวที่อลัลลอฮฺ ไล่ชายตอนเขียนย่งเขียแล้วนะอิล่าให้นบีมอมหมัดฟังแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังวันนี้นี่เป็นเรื่องเล็บหมดเลยนะเรื่องมองไม่เห็นหมดเลยนะถ้าไ อ, าเอเ้เรื่องแล็บรับเรื่องเร่นลับแบบนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ลงมาเล่าเองเอลัลลอฮ์จะแต่งตั้งนบีมอมหมัดมาให้ยิบรีมาเล่าให้นบีฟังให้นบีมะมาสอนฉะนั้นอะไรที่ผ่านปากนาบีเป็นของดีหมดเลยนะเรื่องโกหกไม่มี อะไรที่ผ่านนบีผ่านวาฮีเป็นเรื่องถูกต้องทั้งหมดเป็นความลับที่อัลลอ์เล่าให้เราฟังให้เราได้รู้จักขอบคุณอัลลอ์แล้วก็ขอรบท่า น, นบีมุฮัมมัดสุลแลมในตันเส้นอธิบายบอกว่าไซตตอนเนี่ยมันอยากจะไซตตอนด้วยยินด้วยไม่อยากฟังเรื่องข้างบนเนี่ยอยากฟังมากเลยพอฟังเสร็จแล้วก็มาหาพวกอะไรนะพวกหมอดูข้างล่างนี่นะนก็หากินกันอีกไม่เห็นเละ แค่คนที่ไปหาหมอดูเนี่ยอัลลอฮ์สั่งงานบดุล่ลาะหนะนบบานะนมาห์กองคุณอัลลอฮ์ไม่รับ ก, กี่คืนรู้เปล่าสี่สิบคืนแค่ต้องไม่ต้องไปหาหมอดูจะแต่งงานอ๋อไม่หาหมอก่อนหมอก่อนหมอก็อนอกแนะนําต้องวันจันทนาเวลาเก้าโมงกับเก้านาทีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่มุสลิมทํำนี้ได้ไหมไม่ได้ไว้ใจในอัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับนี่คือมีอาคีด้าที่ถูกต้องพิสูจน์นะครับเด็น้องเอาต่อมาหัวยาที่สิบเอ็ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خ َ ل ِ ق ٌ أ َ م ن خ َ ل َ ق َ ن َّ ه خ َ ل َ ق ا هُمْ مِنْ ط ِ ي ن ا ل ل ا ز ِ ب فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خ َ ل ق ق ٌ أ َ م ن خ َ ا ل ِ ق อินน้า خ ل ق ن ا อายะนี้ต้องการจะอธิบายเล่าว่าคนมุชริกีในนครมักกาเนี่ยสงสัยเรื่องวันสิ้นโลกมีหรือไม่มีตายแล้วเกิดไหมคนมุชริกีมักกาเนี่ยสงสัย อัลลอฮ์ก no so, ็เลยตอบคำถามนะครับมีทั้งหมดแปดเก้าอายะความสงสัยของคนมุชริกว่ามีวันสิ้นโลกไหมตายแล้วเกิดมาใหม่ไหมอัลลอฮ์ตอบคำถามผ่านนบีเรื่องแรกก็คือฟัสตัฟตีฮิมฟาสตัฟตีฮิมเนี่ยแปลว่าท่านนบีมูฮัมหมัดจงถาม อิสอัลละอายุฮะรอซู Muhammad เออจงถามหรือโอรอซูลละจงถามคนอาหรับมุชริกในนครมักกะไอ้ที่ว่าถามเนี่ยต้องการจะวัด ส, สติปัญญาความรู้ของอาหรับมุชริกีเนี่ยพอถามปาั๊บเนีเวลามาตอบมารู้เลยเวลาเราถามนักเรียนนักเรียนตอบเรารู้แล้วเด็กนี่เข้าใจรืมให้เข้าใจ เราคุยกับผู้ใหญ่บางคนนั่งกันสามสี่คนบางคนถามแล้วตอบดีไหมดีบางคนตอบสื่อบื่อจังเลยบางคนตอบไม่รู้เรื่องถามอย่างตอบอย่างซึ่งครูอิสมาอลเรื่องนี้ไม่ได้กับว่าเทคอินเตอร์พอยตอบตรงประเด็นโอโ้โหเนี่ยครูอิสมัยนะผมนั่งอยู่กับแขกถามปัญหาปาาปลวตอบผิดๆควาไม่ใช่คุณพูดให้ตรงประเด็นผมถามเรื่องนี้ต อ, ตอบเรื่องนี้อย่าไปถามสเปอย่าไปตอบสเปสะปะที่ตอนกาจะรู้ ฟาสต้ฟติมฮัมหมัดเ อ, อ๋ยจงถามชาวมักกะท่บูชาจเวตถามว่าอาฮุมพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอาชัดดูแข็งแกร่งยิ่งคอลคอนในการสร้างอัมมันขอลักนาหรือ สิ่งที่เราสร้างมาอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้ให้ถามชาวมากาวว่ามนุษย์เนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยนะกับชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนเมาลาัยกาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอันไหนสร้างง่ายและอันไหนสร้างยากถามให้พวกนี้มาตอบสร้างมนุษย์ รอเล่าเองนะอินนาคอลากอนานะฮุมมินตีนิลาซิบแท้จริงเรานี่นะได้สร้างพวกเขามนุษย์มาจากตีนมาจากอะไรมาจากดินลาซิบดินเหนียวเนี่ยรอดเฉลยเลย แล้วก็สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแล้วก็สร้างมลิกา้าอยู่บนท้องฟ้าทั้งหมดซึ่งคุณมองด้วยสายตาไม่เห็นน่ะแต่ชั้นฟ้าอมองเห็นอะ่ะกับมนุษย์เนี่ยอันไหนจะสร้างยากกว่าและอันไหนสร้างง่ายกว่านี่เป็นคำถามถามเราด้วยเอาชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยสร้างสร้างกีง่วันรู้ว่าสร้างกี่วัน เจ็ดห่วงอะชั้นฟ้าเนี่ยเจวันแผ่นดินอีกเจวันไอคำวันมาวมันใช่ยี่บสี่ชั่วโมงนะวันเึ่งประมาณแสนปีแต่เจดวันเท่าไหรเจดแสนปีนั่นคือการสร้างอะชั้นฟ้าแผ่นดินใหญ่กว่าสร้างมนุษย์เอาสร้างมนุษย์อธิบายยังไงสร้างอาดามมีพ่อมีแม่ไหมไม่มี สร้างโตฮา ว, วานเนี่ยผ่านใช้ผ่านซิครอาดัมเนี่ยรอดเล่าเองอ่ะสร้างวันเดียวชั่วโมงเดียวแล้วก็สร้างน บ, บีอีซาผ่านนางมารยาไม่มีพ่อแล้วก็สร้างพวกเราวันนี้มีพ่อมีแม่นิกายจะมีการนี่เรื่องนึ่งนะเนี่ยรอดเล่าเองบอกว่าสร้างมนุษย์เนี่ยง่ายมากสร้างชั้นฟ้าใช้เวลา น, านานด้วยคุณคิดอะไรออกอแล้วจะให้มนุษย์ ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ทําได้ไหมอัลลอฮฺบอกว่าทำไมจะทําไม่ได้เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราอ่านว่างไงเจอว่างไงไฟในโลกนี่เดิมอ่ะมาอย่างไง ร, รู้เป่าเมื่อก่อนไฟไม่มีบนโลกนวลใจไป น, นี้ไฟไม่มีมันมืดอ่ะแล้วอัลลอฮฺก็ให้ดวงอาทิตย์มาแล้วก็ไฟที่มามาจุดกันเนี่ยมาหงเข้าหงค่าวนี่มาจากไหนอัลลอฮฺได้กําร์พีกูนอ่านมาสโรยาซีนเอว่าไงนะ ชั้นให้ต้นไม้สดสดเสียดสีกันใช่ไหมเสียกันไปสีกันมาเกิดไฟที่ไฟไหม้ป่าประยุบาัานในในโลกโลกดีมีไฟไหม้ป่าเนี่ยมาจากไม้สองต้นต้นไม้สดสดนะเสียดกันไปเสียดกันมานักวิชารรารไปวิจัยโอ้เอาโบรานไปวิจัยแต่เคยเคยเออโบราณไหมไม่เคยปิดสมองอะ่ะ เพื่อจะให้คนหลวงว่าฉันเก่งหามาดสามารถหาไฟบนโลกดุนยาใบนี้ได้ต้องการจะให้เคารพตัวเองเข้าใจป่าแต่ถ้าไปบุ้งไปหาอลัลลอ์มุ่งหาคนอ่านได้จบไหมนี่อลัลลอ์เล่าเองไฟบนโลกดุนยาใบนี้เมื่อก่อนไม่มีแล้วต่อมาอลัลลอ์ให้จุดไฟเอาต้นไม้สดๆเนี่ยสีการที่อยู่ในป่าทำให้เกิดไฟผมนึกถึงปุรล ก, กูใหญ่ส ม, มัยก่อนมีอะไรนะมีไม้อะไรนะมีไม้อะไร ทำอย่างเงี้ยเกิดไฟอ่ะตอนสูบสูบุรีนนี่อย่างงี้เป็นต้นนี่ขอบคุณเราเนี่ยเลาลาล้วครับพี่คุณอานครับฟสตาฟตีห์มุฮัมหมัดเอ๋ยจงถามคนพี่น้องชาวมักกะที่บูชาจเวตว่าอาฮุมอาชัดดุคอลกรนพวกท่านเนี่ยแข็งแรงหรือพวกเขานี่แข็งแรงกว่าการถูกสร้างกันนั้นหรือ ที่เราสร้างมชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนกับสร้างมนุษย์มาจากดินเนี่ยอันไหนหนักอันไหนยาและอันไหนง่ายกันนี่ถามให้ชายปัญญาเอาต่อมาครับคําตอบก็คือสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนั่นยิ่งใหญ่กว่าสร้างมนุษย์แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ทําไมไม่รู้ละ่ะเพราะไม่อ่านกรานนี่คือปัญหาอ่ะพออ่านกราฟมันก็จบในเรื่องของเราคือเหมือนกันที่อยู่บนโลกดวงดาบไปนี่น่ะ อยู่ในคัมี่กุอ่านทั้งหมดอ่านคุรานแล้วก็เรียนสุนาร์นบีก็จะเจอคำตอบหมดเลยอยางนี้สามีภรรยาทะเลาะกันจะอยู่ที่บ้านอยู่ยก ต, ตัวอย่างนะใครขึ้นเสียงทินนบีห้ามไม่ให้ขึ้นเสียงนะใครห้ามใครรู้เ่าห้ามใคร ห, รา ห, าครห้ามสามีเห็นยังถ้าเรานึกเองนะเมียต้องเงียบก่อนสิวะเพราะกูหาสตางค์มาให้อะ แต่ฟังจากนาบีนบีว่าไงถ้าจะให้บ้านสงบเวลามีปัญหามีเสียงดังๆเกิดขึ้นจะทะเลาะ ก, กันให้ใครเงียบก่อนสั่งให้ผัวเงียบนั่งเงียบๆนี่นบีสัง่งนี่ถ้าเชื่อนบีทะเลาะ ก, กันไหมห้ามด้วยแต่ทีบางคนโอ้โหฉันหาสตังค์มาให้สร้างบ้านให้ซื้อรถให้ยังเงียบอีเหรอก็ส่นานามาคือผมพูดบนเวทีนะ ไซนาวัตเนี่ยเป็นอะไรเป็นคอลีฟ้าใช่ไหมเป็นแม่ทัพใช่ไหมแล้วก็มีทหารเนี่ยเป็นแสๆนๆคนโบนจัดการคนเดียวหมดเลยเนะี่ยตอนเวลานั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเมียบนท่านทําไงรึเปล่าท่านนั่งเฉยๆแล้วก็ยิ้มมีเพื่อนๆจะมาหาท่านมาเจอมายืนอยู่ปากประตูบ้านเห็นภรรยากันลําบนบ น, นุ่นบนนี่ท่านแค่นั่งเฉยแล้วก็ยิ้มพอผลหน้าก็มาเขาก็ถามาซนาวัต คุณเป็นแม่ทัพอะแล้วภรรยาคุณเนี่ยมันบนกว่คุณนี่นะแล้วคุณยิ้มท่านตอบไงได้มฉันให้เกียรติภรรยาฉันสี่เรื่องอย่างที่หนึ่งอุ้มคันแทนฉันสองเลี้ยงลูกแทนฉันอันที่สามซักเสื้อผ้าเนี่ยให้ฉันใส่กับจัดอาหารอร่อยอร่อยให้ฉันทานสอย่างนี้ฉันให้เกียรติภรรยาฉัน เขาจะบ่นบ้างอะไรบ้างเชิญตามสบายมันจะบ่นสตกทวันอันนี้ก็งานาที10สิบนาทีใช่ปะใช่ไหม <c oughs> นี่หักการอิสลามถ้าชาิปัญญ า, าเองนะผู้ชายไม่ยอมผู้หญิงอยู่แล้วนะบี้สาว่าอาอาาัฟอันฮากุลยามินสบายนามรตันให้ให้สามีภรรยาอภัยภรรยาวว ล, ละเท่าไหร่เวสบายเท่าไหร่เจสิบเห็นยัง ถ้าใช้บัญญาเราเนีน่ะไม่ยอมแน่ใ่มั้ยล่ะแต่ถ้าฟังวะฮีผ่านนาบีจบไหมจบอัลฮัมดุลิเลเนี่ยความรู้ที่ผ่านวะฮีถามว่าดีเลย ไ, ไมด่ดีดีแต่ต้องต้องฝืนอารมณ์นะฝืนอารมณ์ก็มีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอาต่อมาครับอยายะที่สิบสองบัลอาจิบตะวายสคฮรลู บาง อ, อาจีบแต่ว่าอยคอาจีบแปลว่าท่านแปลกใจอายีบอายีบแปลว่าแปลกใจแต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยแปลกใจที่พวกเขาไม่ศรัทธาต่อความสามารถของอัลลอฮ์มุฮัมมัดแปลกใจไหมนบีแปลกใจนะ แปลใจที่พวกนี้อธิบายชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่เชื่อเลยและ ย, ยังไม่พอนะวายัสคารุนแล้วก็ยังยเย่อเย้อคาสอนของนบีมุฮัมมัดเยอะเย้ยกุรานเยอะเย้อคาสอนของนบีคนที่ยเยอะเย้อคุรานเนี่ยก็ยเยอะเย้ยนบีเนี่ยโทษเยอะไหมเยอะมากครับ เอาละแค่เย่อเยอ้นเยนายกยังไม่ยอมเลยนะนี่เย่อเย้ยอะไรเย่อเยอก้กูรอดูถูกเย่อเย้ยเหยียดหยามว่ามุฮัมมัดไม่ใช่เป็นนบีเราเลเ อ, เ อ, เ อ, เ อ, เอโอโหมันพวกเราเก่งเรื่องนี้เก่งอยู่แล้วใช่ไหมนะชายชายภาษาเย่อเยอ้ คนที่เยอะเย้ยอิสลามเยาะเย้อัลลอฮ์เยาะเย้รอซูลไม่มีโอกาสได้รู้จักอัลลอฮ์ต่อไปครับใครก็ตามใจลองเยอะเย้ยอิสลามดูสิที่โรคโควิดที่มาเนี่ยต้องการจะมาเตือนเองเลิกเยาะเย้ยอิสลามได้แล้วยอะเย้ยอุษร์ได้แล้วยอะเย้ยคำสอนของอิสลามได้แล้วเอาแค่เยาะเย้ยคำคำสอนของนบีว่าให้อภัยพระยาวลเวลาเจ็ดิครั้งเนี่ย เราทำตรงกันข้ามดูซิครอบครัวพังไม่พังพังเลยนะ่ะพี่น้องรู้เปล่าอย่าเอาอะไรแมงมุมอังกะบูใช่ไหมแมงมุมอลวกระาเอาแมงมุมมาเป็นตัวอย่างในชีวิตเพราะแมงมุมเป็นอย่างนี้เวลามันจะทำรังเนี่ยใครทำรังหรือเปล่าที่ชักใ ย, ยเนี่ยตัวเมียตัวผู้ไม่ได้ทำเลย แต่อิสลามที่น บ, บีสอนใครทําบ้านสามีใช่ไหมแต่แมงมุมใ ค, ใครทํารังใครชักยายตัวเมียสักชักใหญ่แล้วก็พอเวลาพอชักยายเสร็จแล้วก็ผสมพันธุ์เวลาผสมพันธุ์ทำงานอย่างไตัวเมียไปหาตัวผู้ยังครับผ่านอีกาไหมไม่ต้องผ่านใช่ไหมนั่นแมงมุมนะแต่ที่คนเอามาชีวิตแมงมุมมาใช้ได้ไหมล่ะ ผู้หญิงก็ไปหาผู้ชายไปยืนหน้าบ้านพี่พี่พีทำได้ไหมสังคมตำหนินะเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วนี่นะครับพอท้องเนี่ยตัวเมียจะฆ่าตัวผู้เอางี่อยางชีวิตนะพอฆ่าตัวผู้ตายเสร็จแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นตัวนะแมงมุมเนี่ยพอเสร็จแล้วก็พอลูกมันโตดีนะรวมตัวกันฆ่าแม่ นี่ชีวิตแมงมุมอลัลลอฮฺจะถามว่าฉันแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมายึดนบีเป็นแบบในการใช้ชีวิตประจําวันอย่ามองสัตว์เป็นแบบได้ยังเคลียร์ไหมนี่ถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราจะรู้ไหมละ่ะชีวิตแมงมุมเป็นยังไงอยู่ยังไงมันฆ่ากันยังไงใครทําบ้านใครทํารังอัลลอฮฺเป็นองครับพอศึกษากเข้าไปทำเดลิลาขอบคุณอลัลลอฮฺจานั้น ชีวิตของเราจะมีบรากาดยุดอัลกรุรอานและยุดสุนนะของท่านนาบีในการดำเนินชีวิตทุกรายการเลยจุกวาจาตานะครับบาราญิเบตาวยัสคารนแต่ท่านนาบีมุมัดในแปลกใจที่พวกเขาไม่ศรัทธาแปลกใจที่ความสามารถของอัลลอฮ์เยอะๆขนาดนี้ทำไมไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วายัสคารูและพวกเขายังหวัวเราะเยอะอ่า นะครับแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคําเตือนจะอานอัลกุรอานและคําบอกทิฐฐานท่านอบดุลปอมาอายะที่13ว่ยยาอิซุกกียรุลายะ ก, ก, กุรูนว่ายิซุกกียรุลลายะกุรุและเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รําลึกซุกเกีรเนี่ยถูกเตือนให้ําลึกอะไรบ้างถูกเตือนให้อ่านกุรอาน อัลลอฮฺสั่นางพกุลอ่านใช่ไหมแต่อ่านอ่านได้ไหมอ่านไม่อ่านแล้วยายือกูรูและพวกเขาก็ไม่รำลึกถึงอัลลอฮฺเตือนให้นึกถึงอัลลอฮฺแต่พวกเขาก็ไม่ยอมนึกถึงอัลลอฮฺยิ่งไม่ยอมนึกถึงอัลลอฮฺเท่าไร่ใจใครบอดใจใครใจคนนี่แหละบอดยิ่งหนักลง นี่เวลาใจบอดเนี่ยเป็นอย่างนี้สังเกตนะคนที่อลัลลอฮ์ให้ตาของเขาบอดเนี่ยดูปฏิเสธอิสลามเอนะอยู่บนพุทธญาเนี่ยอร่อยอร่อยครับอลัลลอฮ์ให้เงินให้ชื่อเสียงให้ตำแหน่งยิ่งบอดเท่าไหร่นะอลัลลอฮ์ยิ่งให้ให้ไปนะ อ, อ, อิสติรออิสติรอญานี่นบีสอนเองนะอลัลลอ์สอนเองบอกว่าเมื่อท่านเห็นคนที่ไม่เอาศาสนา เวลาอัลลอฮ์เขาทําบาปด้วยนะแต่อัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาได้มีความสุขให้บ้านใหญ่ๆให้ที่ดินหลายร้อยไร่ให้รถหลายคันให้มีตําแหน่งนู่นตําแหน่งนี้อิสติดารยันให้เพื่ออนาคตบ้านปลายพบกับความชิบหายพอชิบหายเข้าใจง่ายดีนะได้เงินได้ชื่อเสียงได้ตําแหน่งใจบดแล้วก็เวลา ได้เงินได้ชื่อเสียงมาได้ได้ตําแหน่งมาเนี่ยเขาก็วางแผนจะทําบาปเรื่องทำดีมีไหมไม่มีแล้วก็พอทาบาปปั๊บจะไงจะมาต่อความเย่อหยิ่งจองของจะตามมาแล้วก็วับฟังความเฉยเมยตัวหลักการอิสลามจะตามมาการลงโทษจะอัลลอฮ์จะตามมาอัจจะไดล้วหุมอัลลอฮ์รีบตอบแทนบนรวงจ่าไปนี้เลย พอตายพับไม่มีเศษใดรับรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เพราะหลงดุนยาใจบอดไม่นึกถึงอัลลอ์สุภาในอุบวาวตนี่ น, นคือาันที่บา ย, ยางงี้อตัตมะกับอัะจีสิตว่าอิ ا أ ذ ารออาอัจไตยัสตัสฮิรุนว่าอิ ذ ารออาอัจไตยัสตัสฮิรุน เวลาพวกเขาอีกาแปลว่าเมื่อเราเอาไปว่าเห็นอาญาตานแต่ว่าเห็นมวอยิสาตนบีมุฮัมมัดนี่พามวอยิสาตมาต้องเป็นร้อยๆ ร, รายการในหนังสือก็เร่มเขียว่า3ามรอยกว่ารายการม้วอยิสาตที่นบีนำมามาโชว์ให้เห็นว่าฉันเป็นนบีจริงเนี่ยนะประมาณสามร้อยรายการขอยกตัวอย่างง่ายๆ นบีพากองทัพไปทําสงครามพอกลับมาในระหว่างทางเนี่ย น, น, น้ําน้าไม่อยู่กระป๋องเดียวอะ่ะแล้วก็ต้องดื่มดิละต้องอาบน้นํานมัดดิละ่ะนบีทำไงรู้ไหมนบีเอามือจุ่มไปในอะไร น, น, นะในกระป๋องน้ําออกทิศเนี่ยตามนิ้วมือนบีซอบ้าเห็นว้าวว้าวตักไปอาบน้นํานมาด ต่อไปดื่มต่อไปกินครบฐานมันจะมันจะฐานเป็นร้อยอ่ะเป็นพันอ่ะนี่เป็นม้วนจรีรศักดฉะนั้นบรรดาซอบาลนาบีเห็นม้วนจรีรศักิ์จกระทัานนบีอีมานหมดแต่คนกาเฟตหัวเราะ อ, อิอเอ็งมายากลอ่าเอ็งนี่พวกมายากลเล่นมายากลเก่งจริงๆเอาน้ําไหลออกมาจากมือนี่ด่าใครด่านาบีมัวมาดา่อาอัลลอฮ์ด้วยแล้วคนอย่างนี้อลัลลอฮ์จะเปิดใจไหมล่ะ ไม่มีทางเปิดหรอกครับวันนี้ศาสนาอิสลามถูกถูกอะไรนะถูกตำหนิเยอะพวกอ่านขาา่าวเมื่อวานเนี่ยอะไรเนี่ยประเทศฝรั่งเศสมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับไปสี่ปีแล้วใช่ไหมรับอิสลามไปรับไปยึดสนามบินที่ไหนได้คุมพิยาเปรียวร้อยออกมาจากสนามบินงงเลยเฮ้ยมาอะไรกันวะเนี่ยนี่ไง เองยิ่งกดขี伊斯兰อัลลอฮ์ให้อิสลามโผล่ต่อหน้าคุณเลยอนายกไปรับเองอ่ะจะเป็นไงครับหน้าแตกจะออกสัมภาษณ์บอกว่าจะสัมภาษณ์แนละ้วเสียหน้ามาแล้วนี่อัลลอฮ์ให้เห็นบนดวงยานี้นะอัลลอฮ์จะใหโ้โลกรับอิสลามภายในห น, หนึ่งนาทีได้ไหมได้จะร้อลงลไม่ทํามากใช่ปัญญาตัวเองบงังคับศึกษาอิสลามสิหาความรู้สิหาผ่านคุณอา น, นี่จะเจอหมดเลยนะครับ วิญญาณรอเอาอาญาตันยัสตัสขิรุนเวลาพวกเขาเห็นหมว้วนจิจัดพวกเขาก็หาทางเยอะๆอีกตลอดอ่าผู้นบีมูซูมูซาในวันแต่ต้งนึกภาพด้วยนะนบีมูซาเอลลาลองให้อะไรมาให้ไม้ถือมาอันหนึ่งบรรยโยนเป็นอะไรกลายเป็นงูนี่มว้วนจิจัดทั้งหมดและฟารโรเชื่อไหมไม่เชื่อ ขนาดไม่เชื่อเนะี่ยเอาล่อให้ให้วังให้ทหารแล้วก็มีเงินมีทองเยอะๆไปหมดมีกอรูนเป็นพี่เลี้ยงใหญ่แล้วก็มีฮามานเป็นผู้จัดการนู่นจัดการนี่ผลสุดท้ายเป็นไงตายจะไปสวรรค์ไหยไม่ได้ไปแต่ศพยังอยู่ที่ทอียิปต์อ่เห็นมังแล้วมีไปทําอะไรแล้วเงินทองอ่ะทไมรู้จเอาล่ออย่างเดียวต้าง ม, มีอิมานเอาตัวมาครับ อยายามทำให้เขาเข้าใจว่ามันกป็นอย่างไรแล้วพวกเขากล่าวว่าอินเนียฮาดาอันนี้ไม่ใช่อะไร ทีน่น บ, บีแสดงมวยยิ่าตอะไรต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะที่น้ำน้ำออกจากมือก็ดีอะไรแต่อะไรทั้งหมดเหล่านี้นะอิลลัซห์ฮารุนเป็นมายากลมูบีนุนแท้ๆเป็นจริงๆแทนที่จะอีหมานเพิ่มกลับอะไรกับด่าต่ออ้อันนี้พวกมายากรอย่นี้เป็นต้น เราถามว่าคนที่สอนเสียใจไหมล่ะเสียใจแต่น บ, บีต้องอดทนสูงก็นะ่ถูกตําหนิกว่าสิ่งที่ท่านสอนเป็ น, เ ป, นเป็นมนยนายากรถามเสียใจไหมเสียใจแล้วใครปลอบใจเอเลาปลอบใจน บ, บีเล่าว่าการลงโทษของคนที่เย่ะเยอะ้อน บ, บีในยุคคนก่อนนี่นะถูกทำมาแล้วอะไรบ้างเช่นฟาโร่แล้วก็กษัตริย์นมรูดน บ, บีอิบรอฮิมถูกโยนใสไ่ไฟไหม้หรือไม่ไห ม, ไม้ทั้งหมดแล้วนี้นะครับพี่น้อง เป็นหิกมาเป็นข้อเตือนใจที่อัลลอ์เล่าให้นบีฟังปลอบใจท่านนบีมุฮัมมัดลลันอลฮซัลลัมระมาข้อที่สิบห้าที่สิบหกอิยามิชนาวาคุณตุราบูวะอิซามะอินนาลลมเบูซุน อิามิถนาวะคุณาตุรับบันวะอิฎมาอินนาเลมับอุสูนอัลลอฮุอะลลอฮข้อที่ข้อที่สิบนะครับว่าอิจามิถนาวะคุนาตุรับันวะอิฎมาดูสับนะมิถนาแปลว่าเราตาย ว่กุนาตุวรบอนและเรากลายเป็นเป็นดินอร้อมันเป็นกระดูวะอินนาและแท้จริงเราจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรืออาถาร์ท่านเป็นรองเราเนี่ยตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งนะตายสองเกิดผมถามนักเรียนปากประยูนมานั้น เด็กตอ ว, ว่าตายครั้งเดียวผันี้ต้อตอบหมายล้นะตายกี่ครั้งนะตายสองเกิดสองอยังครับแล้วความคิดเราเนี่ยนึกจินตนาการออกหรือเปล่าเราตายสองเกิดสองจริงเหรอเอาอธิบายอย่างนี้เลาเราอธิบายเลยนะตายครั้งแรกนะตอนที่อเราเกิดให้เราเกิดมาเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิญญาณ อยู่ในอาลามอารวาสนะโลกแห่งวิญญาณนะเราเกิดมาแล้ววิญญาณเรามาก่อนตัวเรานะนั่นคือสภาพตายวันนี้เราเกิดมาวิญญาณมาอยู่ในร่างเรานี่ตายนี่เกิดครั้งหนึ่งแล้วอยู่ไปอยู่ไปก็จะตายใช่ไหมนี่ตายครั้งที่สองวิญญาณไม่ตายนะแล้วก็พอวันเกียร ม, มามาวิญญาณไปอยู่ในร่างเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการเกิดครั้งที่สอง แต่ที่เกิดครั้งที่สองเกิดมาทําอะไรนี่มารับรางวัลละที่เราทำโน้นทํานี่มันเคยเห็นอัลลอฮ์มันเคยเห็นอะไรก็อัลลอฮ์นี่รางวัลตอบแทนนั้นยิ่งใหญ่นี่เล่าผ่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละอิบริษัทอัลเอาตอมากับ อ, อิจามิชนาอะไรกันเมื่อเราตายไปแล้ววกุลนาตุรอบันแล้วก็เราได้ได้กลายเป็นดินวางอิรอมันแล้วก็กลายเป็นกระดูก ว่าอินออนนาละมาบอซูลจะโทษให้ฟื้นขึ้นมาอีกแน่แน่หรือนี่ถามเนี่ยที่ถามเนี่ยเยอะเย้อนะถามนาบีอัลลอฮฺอักุะบะดตอนนี้เราเป็นมุสลิมเนี่ยเรามีอะกิดาว่าตายล้วฟื้นไหมอ่าเพราเรามีอะกิดาว่าตายล้วฟื้นนี่เป็นการอะกิดาที่ถูกต้องที่สุดไม่จะตายแล้วตายเลยตายแล้วต้องฟื้น ฟื้นมาฟื้นมารับรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์กับคนที่ทำความชั่วไว้เข า, ขาเขาต้องฟื้นขึ้นมามารับโทษนะครับการลงโทษจากอัลลอ์สุบฮานุบาราแล้วพอเห็นโทษอะไรไปน้องตัวสั่นหมดแล้วแลขอร้องอัลลอฮ์อัลล์จ่านอยากจะกลับมาอยู่บนโลกดุนยาใหมา่อีกครั้งหนึ่งมาทำอะไรมาแก้ตัวอัลลอ์ให้ไหมไม่ให้อัลลอ์ด่าอีกว่าอายุตัง้งเจ็ดสิปีคิดอะไรไออกเลยเหรอ อัตอมากับอายะที่สิบเจ็ดวาาบานัลอวัลุนอาวาาบานัลอวัลุนผู้นี้ก็สงสยัยอาบะนี่บปลว่าบรรพบรุษปู่ย่าตายายเนี่ยวันนี้เนี่ยนะร พ, พูดเรื่องปู่ย่าตายายอธิบายนิดนึง น, นะ เราเนี่ยได้ความรู้ศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากปูย่าตายายใช่ไหมแท้จบที่ปูย่าตายายอย่างเดียวเนี่ยถูกเลยไม่ถูกไม่ถูกครับอะไรอะไรก็มาจากป่ย่าตายายอย่างเดียวไม่หาความรู้จากอิสลามเพิ่มเติมไปรอดไหมไม่รอดครับ ฉะนั้นมุสลิมทุกคนต้องเรียนหนังสือต้องเรียนครับไม่ใช่ไม่เรียนผมก็พูดประจำนะอยู่บ้านนะ่ให้ทำหกหกข้อทุกวันเนี่ยนะ <c oughs> หนึ่งให้อ่านกุรานอ่านกุรานเนี่ยอ่านเอาแค่ผลบุญอย่างเดียวพออย่างไม่พอแล้วมันต้องอ่านหาหาความรู้สองนำมาอยากาดสามบริจาคสม่ำเสมอ สี่สิกรุ่นล่อม่ําเสมอห้าขอดุอาสม่ําเสมอหกติดต่อกะเขือญาติครอบครัวตัวเองขาเต้องทําทุกวันมาที่น้องนี่เพราะนักพระการพออ่านกูนอ่านเนี่ยได้ความรู้ดังนั้นอย่าเอาเรื่องศาสนาเนี่ยเอามาจากปู่ย่าตายายอย่างเดียวน่ะไม่รอดมันต้องเอามาจากใครผ่านนบีผ่านอัลกุรอานถึงจะรอดบนโลกดุจอาแบบนี้ อันนี้ตัวการจะอธิบายว่าปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วนะบนรรพบุรุษของเราแต่ก่อนๆที่ตายไปแล้วมนะันจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือนี่เยอะเยะ้ยอ่ะผู้นี้เชื่อว่าตายแล้วตายตายเลยขณะมุสลิมยังว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวใช่ไหมลนะ่ะอันนี้ก็เท่าเป็นการปฏิเสธเกิดครั้งที่สองใช่ไหมฉะนั้นนี่ก็ถามว่า ปู่าตายายเราบันเพบุรุษของเราที่ตายไปก่อนๆ น, นั่นจะต้องฟื้นมาอีกหรือตั้งแต่นบีอาดามัมแน่นอนครับฟื้นเอาต่อมาข้อที่18กุลอ่าพวกนี้สงสัยมาตั้ง 7-8 ็ดปดอายาใช่ไหมเนี่ยเอาลอบบอกกันนบีมามดเลยกุลจงอะไรนะจงกล่าวเธอจงตอบเธอจงดะว่าวเธอจงชี้แจงเธดให้ตัวว่าไงน้ำน้ำแปลว่าอะไรครับ Yes ที่คุณสงสัยนะักผิดหมดเลยเฟื่องไหมฟืนครับวันกิยามามีจริงไหมมีจริงครับเพราะ إ ي ม ا ن หกข้อใช่ไหมละ่ะข้อที่หนึ่ง إيمان ต่ออัลลอฮ์อิมาน ต, ต่อรอซูนอิมันต่อมาลาอิกะอิมานต่ อ, อคัมพีแล้วก็อิมานต่อวันซิโลและอิมันต่อกดกอรดอกอดัดกดกอดอกอดัดอธิบายยังไงความรวยความจนใครเจ็บใครป่วย ใครมีปัญหาไม่มีปัญหาไม่จะอรรถทั้งหมดมันช่เกิดเองที่ท่านพี่น้องมานั่งกันที่โซลวันนี้นี่ไม่ใช่มาเองในพี่น้องกับด้วยภาคตักดีตของอรรถทั้งหมดไม่มีอะไรบังเ อ, อิญบนโลกโดยานี้นี่เป็นอกคคีทานของเราในพี่น้องครับเราต้องสบายใจอัลลอฮฺลอัลฮัมดุลิลลาฮฺครับเอาต่อมาครับกุลน้ำมัมาเด อ, อจงกล่าวต่อบบอกว่าใช่แล้ว ปู่ย่าตายายของคุณที่ตายมาในอดีตฟื้นหมดคนที่ฟื้นคนแรกใครรู้เปล่านาบีมุฮัมมัดสุลลันมุสลัมและคนที่สองลูกสาวท่านในีญิงฟาติมาแล้วค่อยๆเราเนี่ยเป็นยุคที่อัลลอฮ์ให้บราริกัดเยอะนะยุทสุดท้ายมาเป็นคนสุดท้ายตายเป็นคนสุดท้ายแต่ได้เกิดก่อนเป็นคนแร ก, แรก ต้องขอบคุณ Allah นี่นบีลเล่าให้ฟังเองอ่ะ Allah ฟังังกับยังยังรับกุลนามจงกล่าวเถิดมหฮัมมัดใช่แล้วว่าอันตุมดาคิรุนและพวกสูเจ้าเนี่ยดาคือแปว่าตกต่ำหรือต่ำต้อยเวลาคุณฟื้นขึ้นมานะสภาพของคุณน่นนะต่ำต้อยหมดเลยนะ แต่คุก็นั่งเช็คด้วยคงว่าต่ำต่ำต้อยนะอธิบายยังไงมันก็ไม่ต่างอะไรกับตัวหนอนที่อยู่ในที่ไหนอยู่ในสุ้มาที่คุณปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟืน้นปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธคำสอนของนบีม د, ุฮัมมัดปฏิเสธสุนทรนาบีทุกทุกรายการนี่นะเวลาคุณฟื้นขึ้นมานี่นะว่าอันตุมดาครพวกเจ้าจะ จะมีสภาพที่ตกตาและตกตายิ่งในสภาพนวันเกียมาถ้าตกตามบนดุนยานี้ยังมีคนช่วยได้ใช่ไหมใช่ะถ้าไปตกตามในโลกอาคิราบเป็นไงอัลลอฮฺอักบัรจากตัวหนอนใช่ไหมนี่ไงฉะนั้นไปน้องถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วฟื้นนี่ไปน้องถ้ามันไม่จริงเราเสียหายอะไระเสียได้ไม่เสียไม่ได้เสียหายตรงไหนเลยไปน้อง งานการเราเสียไหมไม่จะเสียถ้าเชื่อว่าฟื้นถ้าฟื้นจริงๆขึ้นมาเราปลอดภยัยหมดเลยนี่ไงเชื่ออลลอเชื่อราซูลอัยะสุดท้ายนะครับฟาอินนาฮยะเจรตวะฮิดะฟาอิุมยังธุรุ فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم ينظرون ALLAH أكبر ดูสับนะคังว่าจักระนี่เปลว่าเสียงดังๆหรือเสียงตัวเสียงเป่าที่เป่าหรือเสียงเป่าสามจักระว่าไหดะ กี่ครั้งครั้งเดียวเนี่ยเอา ล, ล้อเล่าให้ฟังนะโลกบรนโลกดุงยาบนี่จะหมดอายุด้วยเสียงเป่าของอิสรอฟีลเป็นมาลาอิกาชื่ออิสรอฟีลเวลาเป่าปั๊บเนี่ยทุกเสียงทุกอย่างนะตายหมดแล้วก็เป่าอีกทีหนึ่งจัจโจวาฮิดะฟื้นหมดนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของเอง เป็นอกคดะครับจากอุไรนะต่อมาไปครับฟาอีราหุมยองซรนเมื่อเขาฟืน้นขึ้นมาเนี่ยจากกูโบนะพวกเขาจะจ้องมองจ้องมองมองอะไรรู้ไหมมองผลงานของเขาที่สร้างเอาไว้แบบชั่วช่ว ไม่เชื่อเอาลอยอย่างเดียวผลงานของเองนี่แย่มากเลยแค่เห็นสภาพตัวเองนี่ก็ตกตังตกตังยิ่งอ่ะโอ้พี่น้องเห็นนรกมาอยู่ต่อหน้าแล้วนรกมาแล้วเอาลอยให้มารายการลากมาเห็นอลค์ร้อนนี่นรกมีจริงอ่ะวสวรรค์มีจริงอ่ะเห็นแล้วอ่ะภาพวันนั้นภาพในวันเต็มแล้วก็ภาพที่น่า ก, กลัวมาก่สุดภาพหนาวใช่หไหมไปยืนอยู่ต่อหน้าเอาลอยแก้ผ้า ด, ด้วยที่มันตั้งจริงทั้งหมดน่ะ ขณะยืนตัวหน้าศาลเนี่ยตัวยโสสารเนี่ยไปยืนอยู่ตัวหน้าอาลัลลอฮ์ละแก้ผ้าเหลืออะไรไปน้องถ้าไม่มีอามันคืนอโและติดต่อติดตัวไปนะอลัลลอฮ์ทุกน้องนั่นคือความหายนะอันยิ่งใหญ่และภาพวันนั้นจ้องมองอะตกตลาลึงอัลลอฮ์นี่มันจริงหมดเลยเนี่ยที่เราแอนตี้แอนตี้แอนตี้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อพอฟื้นขึ้นมา จ, จริงๆเห็นหมดเลยนะเอละอัลลอฮ์ไม่ต้องฟืน้นเราแค่น้ําตายอยู่ในกูโบนี่ก็เห็นแล้วไปน้องครับ นอนอยู่ในกุโบอย่างเดียวเลยไหมอันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งรูบามายาวัดดุลลาีนกาฟาโรเราก็โนมุสลิมีนบ่อยครั้งเหลือเกินคนที่นอนอยู่ในกุโบบ่นว่าฉันเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีไม่รู้วันละกี่แสนครั้งเป็นมุสลิมลอยากเป็นมุสลิมจังเลอยลอัลลอ์จะขึ้นมาแก้ตัวไ ด, ได้ไหมยม่มีทางอัลลอ์ไม่ให้อ่ะ นี่มันภาพวันเกีย่ยวฉะนั้นวันเกียมาเนี่ยเริ่มพอชีวิตวิญญาณออกจากร่างปั๊บวันเกียมามาทันทีพี่น้อง อ, อ๋อเป็นอ้อครับที่นี่นต็ปเซกอธิบายว่าไงเย่ซูรุนแปลว่าพวกเขายืนจากกูโบพป็น้องครับแล้วก็มองมองความมู่นวาวันเกียมาเกิดขึ้นกลัวหมดแล้วเห็นความวุ่นวายอย่างเดียวปัใจสั่นตัวสั่นหมดแล้วนี่คือเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับพี่น้อง ก่อนจะจบนะครับพี่น้องขอฝากท่านพี่น้องนะครับว่าสซนาอุ ม, มัดเนี่ยพูดอย่างนี้นี่ลูกศิษย์นบีพูดนะพูดว่าไงรู้ไหมพูดเรื่องว่าคนที่มีตักวาตักวาอธิบายยังไงหัวใจที่เก่งอัลลอฮ์เขาทำตัวอย่างนี้อัลลอต่รอนับสักข่อยร้อนมินอาฮัดินอัลลอต่รอนับสักข่อยรอนมินอาฮดิน อย่ามองตัวเองดีเด่นกว่าคนอื่นทําทำท ำ, ทำได้เปล่าอย่ามองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นมองตรงกันข้ามสิมองว่าไงคนอื่นเด่นกว่าเด่นกว่าเรามองได้ไหมผมมองอย่างนี้ตลอดถ้ามองคนอื่นเด่นกว่าเราเนี่ยทับเขาก่อนได้ไหม อาท่านผู้ใหญ่มาสละมอเลกุมยิ้มก่อนได้ไหมตักน้าให้กินได้ไหมตด้หมดถ้าเรามองว่าเราใหญ่กว่าคนอื่นเนี่ยเราก็รอมื่อไหร่มึงจะมาสลามกูเมื่มึงจะมาเอาน้ําให้กูมึงจะมาเชิญกูเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าทําตัวเล็กๆเนี่ยแต่ทําตัวใหญ่หันไหนดีกว่ากันมีประตูอยู่สองช่องช่องเล็กกับช่องใหญ่ถ้าทําตัวใหญ่เข้าได้กี่ช่อง ช่องใหญ่ช่องเดียวช่องเล็กเข้าได้ไหมมีสิทธิ์ถ้าทําตัวเล็กๆประตูสองช่องเล็กด้วยยหญ่ด้วยเข้าได้ทั้งสองใช่ไหมเอาไงพี่น้องเอาความรู้สึกผ่านสน า, า, ายนาวมารไช้ดีวกว่านะครับถ้าอลัลลอฮฺกระสังเวลาตุซักกูอัมฟุสกุมอย่าอ้างว่าตัวเองบริสุทธิ์สะอาดทมตนดีกว่าฉันไม่มีอะไรกับฉันฉันฉันฉันจนมาฉันฉันตอม ต, อมตนพี่น้องยิ่งมองดูตัวเองถอมตอนเท่าไรอลัลลอฮฺจะยิ่งยกให้สูงให้เด่น ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระหาะอมะบหะอะาอาอะะอะมะบะเาอ